มีความเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วจึงคิดเห็นเป็นรูปหน้าตาหรือตัวผีขึ้นมาจริงๆและเห็นเป็นอาการต่างๆเกิดความกลัวคิดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิ่งหนีเป็นต้นหรือเหมือนคนที่ไม่เห็นของทายที่อยู่ในกำ ม, มือจึงคิดหาเหตุผลมาทายเดาและถกเถียงต่างๆ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 คิดวาดภาพไปต่างๆตั้งความมุ่งหมายคิดหาทางและทำการต่างๆที่จะได้จะเอามาครอบครอง 2. สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเมื่อมีเจตนาคือตั้งใจจงใจมุ่งหมายใจเลือกจะจะรับเอา หรือตกลงจะเกี่ยวข้องวิญญาณที่เห็นได้ยินเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่จมนงไม่จงใจไม่เอาใจใส่ใจไม่มุ่งออกรับถึงจะอยู่ในวิสัยที่จะรับรู้ได้วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนกำลังคิดมุง่งหรือทำงานอะไรอย่างจดจ้องสนใจอยู่อย่างหนึ่งจิตใจไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย เช่นอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลินจิตรับรู้เฉพาะเรื่องที่อ่านมีเสียงดังควรได้ยินก็ไม่ได้ยินยุ่งกัดก็ไม่รู้ตัวเป็นต้นกำลังมุ่งค้นหาของอย่างใดอย่างหนึ่งมองไม่เห็นคนหรือของอื่นที่ผ่านมาในวิสัยที่จะพึงเห็นมองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งด้วยเจตนาคนละอย่างรู้เห็นไปตามแง่ของเจตนานั้น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 และอยู่ในภาวะแห่งความนึกคิดเจ็ดจำนงอย่างใดเป็นต้นเมื่อคิดนึกในเรื่องที่ดีงามจิตก็รับรู้อารมณ์ที่ดีงามแล้วรับรู้ความหมายในแง่ที่ดีงามของอารมณ์นั้นเมื่อความคิดในทางที่ชั่วร้ายจิตก็รับรู้อารมณ์ส่วนที่ชั่วร้ายแล้วรับรู้ความหมายในแง่ที่ชั่วร้ายของอารมณ์นั้นโดยสอดคล้องกัน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 ไม้อ้อสองกรรมตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยซึ่งกันและการชันใดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปละจนถึงไม้อ้อสองกรรมนั้นถ้าเอาออกเสียกรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งย่อมล้มถ้าดึงอีกกรรมหนึ่งออกอีกกรรมหนึ่งก็ล้มชันใดเพราะนามรูปดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับ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 เช่นเห็นของสิ่งหนึ่งได้ยินเสียงอย่างหนึ่งนั้นแท้จริงก็คือรับรู้ตัอนามรูปในที่นี้หมายถึงรูปรขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันต่างๆนั่นเองสิ่งที่มีสำหรับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็คือสิ่งที่มีอยู่ในความรับรู้ของเขาในขณะนั้นๆหรือนามรูปที่ถูกวิญญาณรับรู้ในขณะนั้นๆเท่านั้น เช่นดอกกุหลาบที่มีอยู่ก็คือดอกกุหลาบที่กำลังถูกรับรู้ทางจากขุูประศาทตหรือทางมโนทวารในขณะนั้นๆ น, น, นอกจากนี้ดอกกุหลาบอย่างนั้นๆก็มิได้มีอยู่ต่างหากจากบัญญัติหรือคอนเซปต์ในมโนทวารและมิได้ผิดแปลกไปจากเวทนาสัญญาและสังขารที่มีอยู่ในขณะนั้นๆเลยโดยในย่านี้ เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีอยู่พร้อมนั่นเองและมีอยู่อย่างอิงอาศัยค้าจุนซึ่งกันและกันภาวะที่สองนามรูปที่เนื่องอาศัยวิญญาณย่อมมีคุณภาพสอดคล้องกับวิญญาณนั้นด้วยโดยเฉพาะนามทั้งหลายก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเอง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 โดยสอดคล้องกับสังขารหรือวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกรักไร้มีไมตรีในวงเล็บสังขารก็เกิดความรู้สึกอารมณ์ส่วนที่ดีงามในวงเล็บวิญญาณจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานในวงเล็บนามสีหน้าก็สดชื่นยิ้มยิ้มผ่องใส ตลอดจนกิริยาอาการต่างๆก็กลมกลืนกันในวงเล็บรูปอยู่ในภาวะที่พร้อมจะแสดงออกในทางที่ดีงามต่อไปเมื่อโกรธเคืองก็เกิดความรับรู้อารมณ์แต่ส่วนที่เลวจิตใจก็ขุนมัวขัดข้องสีหน้ากิริยาอาการก็บึ้งบูดเคร่งเครียดอยู่ในภาวะที่พร้อมจะแสดงอาการ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 ที่ถูกสังขารปรุงแต่งแล้วนั้นพึงสังเกตความสัมพันธ์กับภพบความเป็นไปในช่วงนี้เป็นขั้นตอนสาคัญส่วนหนึ่งในกระบวนแห่งกรรมและการให้ผลของกรรมวงจรแห่งวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็กคืออาวิชาหรือกิเลสไปสู่สังขารหรือกรรม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 ข้อที่หสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเมื่ออายตนะปฏิบัติหน้าที่การรับรู้ก็เกิดขึ้นโดยมีองค์ประกอบสามอย่างเข้าบรรจบกันคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายมโนอย่างใดอย่างหนึ่งกับอารมณ์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่ง และวิญญาณทางจากักขุโสตะคานะชิวหากายะมะโนอย่างใดอย่างหนึ่งการรับรู้ก็เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับอายตนะนั้นนั้นข้อที่6ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องมีความรู้สึกเกี่ยวกับสุขทุกเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างคือสบายชื่นใจเป็นสุขคือสุขเวทนาหรือไม่ก็บีบคั้นไม่สบายเจ็บปวดเป็นทุกคือทุกเวทนาหรือไม่ก็เฉยเฉยเรื่อยเรืไม่สุขไม่ทุกคืออุเบกขาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนา ปฏิจจสมุปบาท ต, ตั้งแต่หัวข้อที่3ถึง7คือวิญญาณถึงเวทนานี้เป็นกระบวนการในช่วงวิบากคือผลของกรรมโดยเฉพาะข้อห6 7สลายตนะหนัสภะษเวทนาไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองแต่จะเป็นเหตุแห่งความดีความชั่วได้ต่อไป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 ที่จะให้สุขเวทนาต่อไปเมื่อได้รับอุเบกขาเวทนารู้สึกเฉยเฉก็ชวนให้เกิดอาการซึมๆเพลินอย่างมีโมหะเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนๆที่ทำให้ติดใจได้และเป็นเชื้อให้ขยายตัวออกเป็นความอยากได้สุขเวทนาต่อไปดังนั้นเมื่ อ, อยยกให้ชัดด้วยอาการก็มีสมอย่าง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 คือความอยากในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งย่างยืนตลอดไปอย่างที่สมวิภาวะตัณหาความอยากให้ตัวตนพ้นไปขาดหายรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ปรารถนา ตันหาชนิดนี้แสดงออกในรูปที่หยาบเช่นความรู้สึกเบื่อหน่ายความเหงาว้าเวความเบื่อตัวเองความจริงชังตัวเองความสมเพศตัวเองความอยากทำลายเป็นต้นดูความหมายของตันหาทั้งสามในแง่ของภาษาอังกฤษได้จากพุทธธรรมหน้า198 ตัณหาจึงแสดงออกในรูปต่างๆเป็นความอยากได้กรรมคุณต่างๆบ้างอยากได้ภาวะแห่งชีวิตบางอย่างเช่นความเป็นเศรษฐีความเป็นผู้มีเกียรติความเป็นเทวดาเป็นต้นซึ่งจะอํานวยสิ่งที่ปรารถนาให้บ้างอยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาเบื่อหน่ายหมดอะไรตายอยากตลอดจนถึงอยากตายบ้าง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 ข้อยึดถือปฏิบัติวิธีการต่างๆที่สนองความต้องการของตนข้อที่9อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพความยึดมั่นย่อมเกี่ยวข้องไปถึงภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งความยึดมั่นนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง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 แต่ความคิดและการกระทาทั้งหมดนั้นย่อมถูกผลักดันให้ดำเนินไปในทิศทางและในรูปแบบที่อุปาทานกำหนดคือเป็นไปตามอำนาจของความเชื่อถือความคิดเห็นความเข้าใจทฤษฎีวิธีการความพอใจชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนยึดถือไว้จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรม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 ถ้าความยึดมั่นรุนแรงก็ทำให้มีระบบพฤติกรรมที่เป็นลักษณะพิเศษจำพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึง่งหรือตัวอย่างใกล้เข้ามาเช่นอยากเป็นคนมีเกียรติก็ยอมยึดมั่นเอาคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความมีเกียรติยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติที่สอดคล้องกับคุณค่านั้นยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอย่างนั้ น, น, น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 เป็นกรรมมพบภาวะแห่งชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนกาพฤติกรรมนั้นเช่นความเป็นเทวดาความเป็นคนมีเกียรติความเป็นเจ้าของและความเป็นโจรเป็นต้นเป็นอุปาติภพอาจเป็นภพคือภาวะแห่งชีวิตที่ตรงกับความต้องการหรือภพที่ไม่ต้องการก็ได้ ปฏิจจสมุปบาท ช, ช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำกรรมรับผลกรรมการก่อนิสัยและสร้างบุคลิกภาพข้อที่10พบเป็นปัจจัยแก่ชาติชีวิตที่เป็นไปในภาวะต่างๆทั้งหมดนั้นว่าตามความหมายที่แท้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 ในชีวิตประจําวันของผู้ทุชนการเกิดของตัวตนจะเห็นได้เด่นชัดในกรณีความขัดแย้งเช่นการถกเถียงแม้ในการถกเถียงหาเหตุผลถ้าใช้กิเลสไม่ใช้ปัญญาก็จะเกิดตัวตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ชัดขึ้นมาว่าเราเป็นนายเราเป็นผู้มีเกียรติพร้อมกับเขาเป็นลูกน้องก็ เ, เป็นคนชั้นต่ำ นี่เป็นความเห็นของเราเราถูกขัดแย้งทำให้ความเป็นนั่นเป็นนี่ด้อยลงร่องลงหรือจะสูญสลายไปเมื่อชรามรณะปรากฏชาติก็ยิงชัดแต่เพราะมีชาติจึงมีชรามรณะได้ข้อที่11ชาติ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 แต่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได้ตัวตนก็ย่อมเสื่อมสลายได้แม้เมื่อยังไม่สูญสลายก็ถูกคุกคามด้วยความร่องตัวและความสูญสลายที่จะมีมาจึงเกิดความหวาดกลัวต่อความถูกวันไหวกระทบกระแทกและความสูญสลายและทำให้เกิดความยึดมั่นผูกพันตัวตนไว้กับภาวะชีวิตนั้นให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ความกลัวต่อความสุญสลายแห่งตัวตนนี้เกิดสืบเนื่องมาจากความรู้สึกถูกคุก ค, คามและหวาดกลัวต่อความตายของชีวิตนี้นั่นเองซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลาและคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆไปของมนุษย์ทําให้หวาดกลัวต่อความพลัดพรากสูญสลายทําให้ดิ้นรนไขว้คว้าภาวะชีวิตที่ต้องการอย่างเาร่าเริงทำให้เกรงกลัวและผิดหวังเมื่อได้รับทุกขเวทนา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 พลาดและพลากจากภาวะชีวิตที่ต้องการก็ดีความทุกข์แบบต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นคือเกิดโสกการปริเทวะทุกโทมานต์และอุปายาตและในภาวะแห่งความทุกข์เช่นนี้ย่อมมีแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีความขัดข้องขุ่นมัวความหลงไหลและความมืดบอดอันเป็นลักษณะของอวิชชา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 แต่จะมีความเป็นผู้ชนะที่ยึดมั่นไว้กับความหมายพิเศษบางอย่างเฉพาะตัวในอุปท า, านด้วยในวงเล็บพบในบางโอกาสโดยเฉพาะในกรณีของคนมากหยิงพยองหรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจก็จะเกิดความรู้สึกโผล่ขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ชนะเท่ากับตัวเราเกิดขึ้นในความเป็นผู้ชนะในวงเล็บชาติ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 ก็จะตามมาด้วยความรู้สึกที Nos ่จะต้องผูกพันมัดตัวไว้กับเป็นผู้ชนะนั้นให้แน่นแฟนเพราะกลัวว่าความเป็นผู้ชนะจะสูญสิ้นไปจากตนกลัวว่าความยอมรับนิยมยกย่องเชิดชูที่ได้รับในฐานะนั้นจะไม่คงอยู่อย่างเดิมจะลดน้อยลงเสื่อมลงหรือหมดไปจากตนเมื่อพบเห็นผู้ใดผู้หนึ่ง แสดงอาการไม่เชื่อชูให้เกียรติอย่างที่หวังหรือเท่าที่หวังหรือการยกย่องเชื่อชูที่เคยให้อยู่มาลดน้อยลงก็ยอมเกิดความขุ่นมัวหมุนมองใจและอุปาญาตเพราะตัวตนในภาวะผู้ชนะนั้นกำลังถูกกระทบกระแทกหรือถูกบีบคั้นกำจัดให้พลากไปเสียจากภาวะผู้ชนะคือกำลังถูกคุกคามด้วยความเสื่อมโทรมในวงเล็บชรา และความสูญสลายในวงเล็บมรณะจากความเป็นผู้ชนะรวมทั้งคุณค่าพนวกต่างๆที่ยึดไว้ในวงเล็บพเมื่อภาวะการดำเนินไปเช่นนี้ความรู้สึกขุนมัวหมนหมองกังวลผิดหวังต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งไม่ได้ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะในวงเล็บปัญญา ก็จะเข้าหมักหมมทับทมในสันดานมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั้นตามวงจรในปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อไปเป็นการสวยเวทนาอย่างที่เรียกว่าหมกตัวหรือผูกมัดตัวขอให้ตั้งข้อสังเกตง่ายๆว่าเมื่อมีตัวตนในความรู้สึกเกิดขึ้นก็ย่อมมีความกินเนื้อที่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 แต่ตัวตนและความอยากนั้นไม่สามารถขยายออกไปอย่างอิสระไม่มีที่สุดต้องถูกฝืนกดหรือข่มไว้โดยบุคคลนั่นเองในกรณีที่เขามีความสำนึกในการแสดงตัวแก่ผู้อื่นว่าตนเป็นคนดีหรือถ้าตนเองไม่กดหรือข่มไว้ปล่อยให้แสดงออกเต็มที่ก็ยอมเกิดการประทะขัดแย้งในภายนอก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 และความกดดันขัดแยง้งกระทบกระทั่งบีบคัน้นย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี